นี่พวกเราท่านไม่เป็นอย่างนั้นจำได้ตำรับกาลังโอบกอดหลงเป็นอย่างไรเข้าใจเคยอ่านเคยศึกษาแต่เมื่อเกิดมากับตัวของตัวไม่มีทางที่จะแก้ไขทับไล่ความอยากได้ลุ่มหลงมันยังมีเมื่อไม่ถูกจิตพอใจโกรธมันก็เกิดขึ้นเพราะความหลงของใจ ไม่มีอัดทมไม่มีสติความวรูลึกๆไม่มีปัญญาที่จะสืบดูความเป็นจริงของมันมันเผาเอาจนหน้าตาเป็นยักษ์เป็นมานขึ้นมันเป็นอย่างนั้นก็ทราบอยู่แล้วว่าสิ่งเหล่านั้นมันไม่ดีแต่มันกว่านี้มันไม่ได้เพราะละมันยังไม่ขาดมันเป็นพิษเป็นภยัย มันเผากายเผาใจของคนเหลืองเกลียดตันหา่ันจึงให้หาธรรมะพิจารณาธรรมะมาชำระทักฟอกจิตใจเมื่อจิตใจสงบเย็นเกิดปัญญาพิจารณาสิ่งต่างๆเห็นตามเป็นจริงรูปก็ดีเสียงก็ดีกลิ่นก็ดีรสก็ดียังมีอยู่ในโลกแต่จิตใจของเราแต่เก่าก่อนเคยเห็น คุ่งจิตจิตข้องต่างๆเวลาเราประพฤติปฏิบัติธรรมะที่เจรนาในจิตในใจเห็นตามเป็นจริงเมื่อประสบพบเข้าทางตาได้เห็นทางหูได้ยินจมูกได้กินลิ้นในรสกายถูกสัมผัสมันเป็นอย่างไรมันจะประจักในใจถ้ามันยังมีความกำหนัดขัดข้องเราก็ไม่ นอนใจตายใจอันนี้เป็นกิเลส อ, อันนี้เป็นตัณหาอันนี้เป็น้าสึกของอาดของทำจะต้องตั้งหน้าสู้ลบขบกัดปฏิบัติเพื่อเอาชัยชนะนี่คือการปฏิบัติภาวนาชาระใจของตัวไม่อย่างนั้นจะไม่เห็นไม่เป็นให้จะอยู่ในที่สงบสงบัดมันก็อยู่ได้ แต่จิตใจของเราวุ่นวายด้วยอารมณ์สัญญาต่างๆ <c oughs> หาทางสงบไม่มีเราต้องพินิจพิจรารณาสำระใจของตัวการวิเวทความสงบนั้นพระพุทธเจา้าก็สสนาเริแต่สงบใจพระองค์ก็สสนาเริญและพระองค์เคยปฏิบัติมา ทั้งทสี่หมดกิเลสพระ อ, องค์ก็ยังทรงประพฤติปฏิบัติอยู่ในสถานที่วิเวกเข่นวัดสี่ตันท่านสร้างขึ้นไม่ใช่สร้างอยู่ในกลางหมู่บ้านในกลางถนนห้อทางในกลางเมืองท่านหาความสงบอยู่เหมือนกันเพราะที่สงบของกายนั้นหาง่ายแล้วเข่าป่าใหนมีรูปเสียง เรื่องร่าต่างๆภายนอกมายุ่งเกี่ยวก็ได้ชื่อว่าเป็นที่วิเวกผีสงบแต่จิตของเราสงบนั้นมันต้องอาศัยการที่นิที่จริญนาะอาศัยการปฏิบัติเจียญกายสงบหาง่ายแต่ก็อาศัยความสงบของสถานที่วิเวกไม่มีรูปเสียงเรื่องร่าต่างๆมายุ่งเกี่ยว เราจะกำหนดอะไรก็สะดวกสบายไม่วุ่นวายขัดข้องพันจริงว่าเสียงเป็นข่าสึกเป็นหนามสำหรับปฐมมาสารคือการเข้าสงบของจิตแต่มีเสียงมากเท่าไรจิตใจฝึกปฏิบัติใหม่จะให้เข่าได้สงบสบายมันยากหรือไม่เป็นไปเลยแต่นั้น ผู้ปฏิบัติแผ่นจริงหาที่สงบสงัดทางกายเมื่อที่ภายนอกสงบสงัดการปฏิบัติภายในทางนอกมันไม่มีอะไรมายุ่งเกี่ยวรบกวนแล้วเรามานี่มาปฏิบัติไม่ใช่มาเล่นมาเพลินมาคิดมาปรุงมายุ่งมาเกี่ยวกับทัญญาอารมณ์อะไรเราต้องหักห้ามใจของเราอย่าให้ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องโลก ปฏิบัติเพื่อความสั ง, งัดของใจเพื่อความวิเวกของใจความวิเวกของใจจะวิเวกได้ก็ต้องสัตว์นิวรณ์ออกไปนิวรณ์คืออะไรกาาฉันทะความคิดปรุงยงเกี่ยวกบรบพุ่มเสียงกลินล่นรสสัมผัสอารมณ์ถึงเป็นทางโลกพยาบาทของความคิดอาฆาต ผูกเวนกับสัตว์กับบุคคลต่างๆที่เขาล่วงเกินที่เราไม่พอใจเขาทำเขาว่าต่างๆนานาคิดไปมันผ่านมาเป็นเวลาหยืดยาวแล้วกว่าตังถ้าหากเอาอารมณ์ส่วนนั้นมาคิดมาปรุงจิตใจของเราโกรธจิตใจของเราร้อนไม่สงบไม่เย็นให้ นเชื่ให้สัตออกไปปล่อยออกไปวางมันอย่าถือเอาไว้อย่ายึดเอาไว้ขินามิาทะทาง่วงเหงาห้านอนเพราะขอหาที่สงบสงัดใน ม, มีสิ่งมายั่วายุเยวข้องมันก็ห่วงนอนอยากพักผ่อนเป็นไปต่างๆนานาเพราะใจ ไม่ได้คิดซร้งเมือนนี่สิ่งที่เกี่ยวข้องมันไม่อยากเพื่ออยากเพลินอะไรมันก็ง่วงเหงาอยากพักผ่อนอยากหลับอยากนอนไปถ้าไปดูหนังฟังเพลงต่างๆซึ่งเป็นเรื่องย่อยยุ่ง เ, เรือ่องกิเลสปัญหาภ <c oughs> ายในถึงระยะเวลาจะยาวนา น, านมันก็ยืดได้เพราะใจมันเพลินอยู่ข้างนอก คนที่หงงเหเงาหาวนอนในการฝึกธรรมะปฏิบัติธรรมะหรือฟังธรรมะก็เพราะจิตของเขาไม่มีความยิ่มใจไม่มีความพอใจไม่เพลิดเพลินในอัดในธรรมมันจึงหวงเหเงาหาวนอนไปได้เราจะต้องมีปัญญาแนอสอนตัวของตัวเรานี้มีอานาจศาสนา มีบุญบาลาีคนอื่นจำนวนหมื่นแสนที่เขาไม่ได้เข้ามาฝึกรักษาปฏิบัติธรรมะไม่ได้มาฟังธรรมะอย่างเราเรานี่มีอำนาจศาสนาแล้วธรรมนี้ถูกแล้วดีแล้วควรจะอิ่มใจเต็มใจในการปฏิบัติของตัวควรจะปล่อยเวลาให้เต็นมันเอาความหลับความนอนมาเป็นใหญ่กว่าธรรมะ เราต้องคิดปรุงแก้ไขขับไล่ความง่วงเหงาออกไปนี่คือนิวอน์ที่เกี่ยวข้องกับใจทำให้ใจไม่เกิดความวิเยกสงบอุทจจะกุกุกจจะเมื่อจิตไม่สงบจิตไม่มีความสุขมันก็ฝุ่งฟุงเดือดร้อนฟุงง่งซ่านทัง จิตทางใจคิดอ่านไปอันนั้นคิดอ่านไปอันนี้ซึ่งเป็นคิดเป็นไทยทจิตทําใจให้เดือดร้อนเมื่อจิตไม่อยู่จิตไม่สงบจิตไม่รวมมันก็เกิดความลำคาญขึ้นอุทจักกุฎจักเพืพ่อจิตพุ่งสร้างกายมันก็ลำคาญจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินมันก็ไม่สุขไม่สบายให้ มีกิจจิจเกิดสงงัสฝ่าอาภัพอาวาชนาทำอะไรไม่เป็นไปตามใจหวังนี่คือความปรุงของใจความคิดของใจถ้ามันคิดไปปรุงไปแบบนั้นจะอยู่ในสถานที่วิเวกขนาดไหนก็อยู่ได้จะเที่ยงกายใจไม่วิเวกให้ต้องขับไล่สิ่งเหล่านี้ออกไป เสใจของเราจะได้ส ง, งบเข้าถึงความสุขปล่อยวางสัญญาอารมณ์ต่างๆจึงจะเกิดสมาธิเกิดวิเวททางจิตเหยียจิตตวิเวกได้เมื่อจิตวิเวจิตไม่ยุ่งเกี่ยวเกี่ยวปรุงต่างๆเกิดเป็นเห็นรู้ในตัวของตัวตัวจะเชื่อปากความสุข ในความวิเวกนี้ทุกอย่างนี้วิเวโกสุขโขลวิเวกเป็นสุกหนอเปล่งออกพอมันเห็นมันเย็นมันส ง, งบนี่คือผู้ประพปฏิบัติจะต้องเปลี่ยนเห็นรู้ในตัวของตัวเมื่อจิตมีความวิเวกจิตส ง, งบเย็นเห็นรู้ ถอดถอนออกมาจะพิจารณาอะไรมันก็เกิดปัญญาสามารถ่จแีแจแไขความข้องจิตคิดปรุงยุ่งเกี่ยวต่างๆตกออกไปครับไล่ราชาตัญหาอวิชาวปาทานให้หมดไปจากใจจนเป็นอุปธิวิเวคคือสงบจิตเลยครูอาจารย์หรือพระพุทธเ จ, จา้าท่านทา ม, มาแบบนั้น พวกเราท่านถ้าทําท่านก็ไม่ถือกรรมสิทธิ์ท่านปล่อยให้อนุญาตให้ใครต้องการจะทําจะประพฤติปฏิบัติท่านไม่หยอกล้องเอาคุณค่าสาระอะไรท่านปล่อยให้ประพฤติปฏิบัติได้ทุกการทุกเวลาเราจะมีความสุขความเย็น ความเห็นความรู้ขนาดไหนหยิบดีวิเศษขนาดไหนท่านไม่เคยคิดคุณข่าสาระว่าได้จากฉันนะเคยจึงมีความสุขความสบายอย่างนั้นฉันจะต้องเสียข่าตอบแทนเท่านั้นเท่านี้ไม่เคยมีพระพุทธ้เจ้าพระองค์มีพระกรุณาที่คุณมากอยากจะให้ศสัตว์ทั่วหน้าหมดกิเลสตัณหา หมดทุกทางใจฉันจึงมาสอนสัตว์นะเช่นฉันสอนเพื่อความตอบแทนอะไรไม่เหมือนคนทั่วไปที่สอนกันมีความรู้มากก่จะต้องมีรางวัลให้มีเงินเดือนให้ฉันฉันจึงจะรักษาฉันจึงจะสอนนี่พระพุทธเจ้าทำไมแบบนั้น สอนเผื่อความสูกความสบายของบุคคลทั่วไปไม่ได้คิดอะไรเป็นเครื่องตอบแทนพระไทยของท่านบริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลาสอนเขาเขาประพฤติได้ก็ไม่ใช่ท่านจะดบจะดีขึ้นแต่ด้วยพระกรุณาที่คุณในจิตในใจถึงลำบากอยากเย็นพระ อ, องค์หลรงแน่สอนเพื่อจะให้เป็นประโยชน์แก่สัตว์ไม่ใช่ว่า ท่านสอนแล้วจะได้ข้าตอบแทนอันนั้นอันนี้กิเลสที่ท่านเคยละออกไปก็ละได้แล้วกิเลสใหม่ที่จะเกิดขึ้นไม่มีท่านก็ทราบแล้วสอนเขาตลอดวันปรินิพานจิตใจของเราจะดีวิเศษอีกนั้นมีไหมท่านก็ทราบในพระไทยของท่านเพราสิ่งที่ควรละละไปแล้วสิ่งที่ควรบําเพ็ญบําเพ็ญ พอแล้วท่านทราบไม่เหมือนพวกเราท่านพวกเราท่านมันไม่ทราบไม่เห็นอย่างนั้นทาลงไปก็จะเพื่อจะละเพื่ออยากได้นั่นท่านทามาได้เพื่ออะไรมันผิดกันอยู่ตรงนั้นแต่นั้นพวกเราท่านที่มาประพฤติปฏิบัติเพื่อฝึกหัดอบรมใจ ก็อยากจะไปตำหนิว่า ต, ตัวค้องตัวชั่วเสียตัวค้องตัวไหมมีอำนาจว่าแนาตัวข้องตัวอาภัพพึงพินิจพิจัยนะตั้งหน้าปฏิบัติเถอะเรื่องจิตใจสงบสงัดเป็นอย่างไรเราจะเห็นจะเป็นในจิตในใจของเราคำสอนของพระพุทธเจ้าถึงผ่านมา สองพันห้าร้อยกว่าปีมันยังเป็นนิยานิกตธรรมอยู่หรือไม่หรือผู้ประปฏิบัติเพียงใจจะเป็นอุปนิสัยก็ให้มันเข้าใจในการประพปฏิบัติของตัวธรรมะเป็นอาการิโกจริงไหมไม่มีการมีสมัยทํทำเมื่ อ, อไรได้รับคุณค่าตอบแทนเมื่อนั้นจะเข้าใจกัน นี่คือการประพฤติปฏิบัติอาจรรมมันเป็นอย่างนั้นขอทุกท่านจงหมั่นพินิจพิจารณากำหนดรักษาอย่าไปนำสัญญาอารมณ์มายุ่งเกี่ยวกับจิตกับใจถ้าหากสัญญาอารมณ์จิตเคยคิดปรุงย่งเกี่ยวนั้นมันเป็นมรรคเป็นผลทุกคนจะพ้นจากทุกนี่ในต้นอย่างนั้นมีสัญญาอารมณ์ยุ่งเกี่ยวมากเท่าไร่ใจยิ่งเป็นทุกข์ ฉะนั้นจงกำจัดปัดเป่าออกไปหายใจมันได้พักได้ใสงบเมื่อใจมันมีสมาธิคือความสงบความหนักแน่นความเชื่อมัน่นในตัวของตัวแล้วจะพิจารณาอะไรมันก็เป็นปัญญาสามารถตัดขาดจากความสงสัยทางธรรมะท่านสอนพวกเราอย่างนั้น ไ, ได้สอนไปที่อื่น สอนกายสอนวายหาสอนจิตเพราะที่เกิดของความชั่วมันเกิดขึ้นจากที่นี้ที่เกิดของความดีมันก็เกิดขึ้นจากที่นี้เมื่อหมดชั่วประพฤติดีเต็มตัววีมุตหรือวีสุดที่ทำมันไม่ได้เกิดขึ้นจากที่ไหน เกิดขึ้นจากใจของเราอีกเหมือนกันดังนั้นขอทุกท่านจงนําไปพินิจพิจารณาปฏิบัติรักษาเมื่อทุกคนต่างหน้าประพฤติปฏิบัติ <c oughs> กําหนดอัตธรรมอย่างที่พระพุทธเจ้ า, าทรงสอนความสงบสุขที่เราไม่เคยเป็นเห็นรู้มาก่อนก็จะเกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นความเชื่อความเหลื่อมใสความเต็มใจปฏิบัติ จะนี้ขึ้นเป็นธรรมดาในตองเรียกหามาจากที่อื่นการประพฤติปฏิบัติธรรมจาเป็นสําหรับเราทุกคนที่มีจิเลี่ยตัญหาเพราะจิเลี่ยตัญหาเป็นข้าสึกของใจเป็นโรคภัยที่จะทําให้เดือดร้อนอุ่นวายถ้าเราไม่รีบรักษาด้วยการปฏิบัติธรรมะมันก็ไม่มีทางที่จะสงบสงัดให้ แต่นั้นจงตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติกันความสุขความสบายความเห็นความเป็นความสงบความเย็นของใจจะไม่มีอยู่ในตำรับตำราจะเกิดขึ้นจากการการทำบาเพ็ญของตนทุกคนมีสิทธิ์ที่จะประพฤติปฏิบัติได้แต่นั้นขอทุกท่านจงตั้งหน้าตั้งตา กำหนดรักษาที่นี้พี่จเจรนาปฏิบัติความสุขความเจริญก็จะเกิดขึ้นในตัวของตัวเองการอธิบายธรรมะเห็นว่าพอสมควรสีเวลาพยุติเพียงแค่นี้เอวัง